เก้าส <Book> <96. S 3> ิบหกตมบใหญคําำสันธาน 3. 3> สามส ม, ม, มุดยช้มูดดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดังอลารมโมกินเอเวนตเนเนนเลสตานุ ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือเนี่ยนูฉาดูโกวานานโกกาเนยอริิดตานดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบนากูอารวะเยลูรากาไรเนีนีปัญชัยดมมานสตนุคุณจะโทรมาเมื่อไหร่เมริยพูดคอลจสตารู ทันทีที่ดิฉันมีเวลานากตีดีกเด็กกานนเขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาอนะกี้ควระสมผันเด็กกัเนีอนโคลเชสตอรคุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่มิริยันตเซบปนเชสตรดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ เนนุนนัปนนบาร์กุนเองเจฉันจะทำงานเท่าที่ดีฉันยังแข็งแรงอยู่เอารมอย่างาบนันรกุปัญญเจาเขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงานา น, ะป น, น, น, นะปัญญเฉยได้บดเดกุนเธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านเขามดานบาเขาปทนั่นาตงทนที่อเขาทนที่อืนเขา้ทานที่อื่นเขา้านอเขา้องไานท่นองทนที่นเ้านี่อเขาองไทน่เาทาที่ดนี่ันเาปทำานที่อเขาองไปที่นของาี่นเขาองไ่เขาไท่นานทอ้านอี นากเตลิดสนันตบรกกูอายน่บารียับบุโตอุดีเท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงาน น, าน้าก็เตลิดสนัตบารักกูอ้น่ะนิรุตย ogi ิฉันนอนหลับเพลินมิฉะ น, นั้นดิฉันก็จะตรงเวลาเ น, นี่หนูเยก็ไม่เซ่ปปุน น, าน้าหนูเลก็ปลอดเย่สมัยอันนี้ก็อุ่เดีาดดิฉันพลาดรถเม์ ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาเนีนูบสี่เอเล็กขบอยานูเลเ็กขบอตเอชมยางนีวดีดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาน้ากู ด, ดบกนนดันไปเชิเนีตับปีปอยานูเลเ็กขบอตเอชมาอยเนวาดี